ท่านพระอานนท์บรลุอรหัตตผลครั้งนั้นภิกษุผู้เถระทั้งหลาย ได้ปฏิสังขรอนเสนาสนะที่สุดโทรมในเดือนแรกลำดับนั้นท่านพระอานอนท์คิดว่าพรุ่งนี้เป็นวันประชุมการที่เราผู้ยังเป็นเสขะบุคคลอยู่จะไปร่วมประชุมด้วยไม่สมควรเลยจึงให้เวลากลางคืนเป็นส่วนมากล่วงไปด้วยกายคตาสติพอถึงเวลาใกล้รุ่ง